เกมกรรมเป็นเกมที่น่ากลัวเหนือสิ่งอื่นใดเพราะผลของการเล่นอย่างไม่รู้คือความทุกข์อย่างสาหัสเมื่อเล่นแพ้คือการหลงลืมอันน่าสังเวชและความตายที่ซ้ำซากไม่รู้จบดังตริน เปิดรายการด้วยข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเกมกรรมก็ลยอยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณหมอนะคะว่าคุณหมอมีความเห็นอย่างไรต่อคำที่ว่าเกมกรรมหรือว่าชีวิตเป็นเรื่องของเกมกรรมนะคะก็แปวคานี้มาจากไหนครับเนี่ยเป็นการใช้ภาษาที่เรียกว่าโดนใจโดนใจหรือว่าใกรตัว เพราะว่าปฏิบันนี้เรื่องของเกมนี่เป็นที่รู้จักกันดีมากขึ้นนะครับจะมาอธิบายเรื่องของชีวิตได้ดีนะครับะทำให้เวลาเราฟังมีความสะดุดใจมากขึ้นนะครับเชีวิตของเรานี่เราเคยเห็นในเว่าเล่นเกมภายนอกใช่ไหมฮะเราต้องการที่จะเล่นมีเกมขับรถแข่งจะเรียวซ้ายเรียวขวาแล้วก็กดปุ่มเรียวซ้ายเรียวขวา เือเกมต่อสู้แล้วก็โดยการที่บังคับเรื่ อ, องของการกระทำภายนอกที่เป็นการกระทำหรือว่าผลที่มันกำลังถักกดอยู่เนี่ยผมว่าตามที่จัวหัวมานี่มันจะดูว่าเป็นเรื่องน่ากลัวมากใช่ไหมฮะมันน่ากลัวเกินไปเหรอคะ มันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้นี่มันเรียกว่าแสนสาฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับรับรองตรงนี้เลยนะคะกล่าว่ามันแสนสาฮะถ้าเราไม่รู้ค่ะแล้วก็เล่นเกมไม่เป็นหรือว่าถ้าเราดูเหมือนเล่นหมากฮอสหรือว่าเล่นหมากลุกเนี่ยค่ะมันมีแต่แค่เริ่มเดินนี่ก็ลางแพ้ก็มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วโอกาสที่จะชนะหรือว่าโอกาสที่จะเล่นจนจบกระดานแบบยันเสมอหรืออะไรอย่างนี้เนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นผลรวมนะหรือว่าเป็นผลลัพธ์ของกรรมชนิดต่างๆที่เราเคยทำไว้นะครับพี่ีนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่เคยทำด้วยกายวาจาใจในอดีตที่ส่งผลต่อมาจนถึงกรรมปัจจุบันเนี่นะฮะที่มันบวกลบคูณหาแล้วมันก็ ปรากฏผลแต่ละขณะแต่ละขณะที่มันจะส่งผลออกมาไม่ว่าจะออกมาในอยู่ในส่งผลออกมาต่อรูปขันของเราเนะฮะเช่นร่างกายความแข็งแรงผิวพรรณวันนะอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลรวมของกรรมทั้งสิ้นนะครับจะมองในทัศนะของว่าเราเป็นผลลัพธ์ของกรรมนี่ในหนังสือเล่ม น, นี้มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจปันเด็นไ้มครับส่านสะิรินา เขาก็พูดถึงเรื่ององค์ประกอบของเกมล่ะค่ะว่าการที่เราทุกคนต่างล้วนอยู่ในเกมกรรมเนี่ยนะคะองค์ประกอบของเกมควรจะมีอะไรให้เราได้คิดคํานึงถึงบ้างเรื่องแรกเลยก็คือใครเป็นผู้เล่นซึ่งคําตอบก็ไม่พ้นจากตัวของเราเองนะคะที่จะต้องเล่นทั้งบทของผู้เล่นเป็นผู้ชมเองแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบตัวเองในผลการกระทําของตัวเองเอีกต่งางหาบ นอกจากตัวผู้เล่นแล้วเขาก็พูดถึงอุปกรณ์การเล่นอุปกรณ์การเล่นเนี่ยเขาก็บอกว่ายิ่งอุปกรณ์ซับซ้อนขึ้นเพียงใดเนี่ยเกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเพียงนั้นหให้คุณหมอไทยว่าอุปกรณ์การเล่นคืออะไรก็ขันหน้าของเรานี่ยมั้ครับถูกต้องค่ะค่ะ <c oughs> เขาก็พูดถึงประมาณขันห้าของเราเนี่ละค่ะแต่ว่าจะระบบเป็นใจ เป็นปากเป็นมือเป็นเท้าเป็นหัวเป็นตาหรือแม้แต่เครื่องเพศเ้าก็นับเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมด้วยครับแล้วส่วนต่างๆของร่างกายเราถือว่าเป็นอุปกรณ์การเล่นได้ทั้งนั้นเลยนะคะครับแล้วก็พูดถึงกติกาการเล่นด้วยเพราะเวลาที่เราเล่นเกมใช่ไหมคะคุณหมอมันต้องมีกติกาค่ะครับแล้วเขาก็ให้ข้อคิดไลยนะคะว่าถ้าชีวิตของคุณเป็นทุกข์แปลว่า คุณเนี่ยกําลังมีคะแนนติ ด, ดลบไม่ใช่ผิดกติกาค่ะมีคะแนนติดลบค่ะอ๋อครับทางก็คือจะแพ้แล้วไหมคะก็เป็นทุกแต่ถ้าเป็นสุขคือมีโอกาสชนะก็จะเป็นบวกครับแล้วเขาก็จะมีบอกว่าแล้วแพ้ชนะแล้วจะได้อะไรอ่าในเกมจำเนี่ยนะคะ ค, ค่ะแล้วก็พูดถึงใครเป็นผู้ตัดสิน และสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือมีวิธีหยุดเล่นเกมหรือวิธีออกจากเกมด้วยอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยว่าในเกมกรรมที่เราทุกคนทุกชีวิตจะต้องเล่นกันอยู่กเมื่อเชื่อวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะเล่นไปอีกกี่พบกี่ชาตินี่นะคะคมีวิธีออกจากเกมด้วยค่ะน่าสนใจจริงๆว่าแล้วเขาจะออกจากเกมกันยังไงอ่ะแลวให้คุณหมอลองให้คาแนะนำสิคะว่าในเกมกรรมที่เราจะต้องเผชิญกันอยู่ อย่างไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นเนี่ยเราะจะมีวิธีออกจากเกมได้อย่างไรคะครับวิธีการที่จะออกจากเกมนี่ก็ต้องเล่นเกมก่อนนะฮะอ้าวไม่เล่นออกไม่ได้ใช่ไหมคะฮะไม่เล่นแล้วออกไม่ได้นะต้องเล่นก่อนแล้จเิงจะเลิกเล่นอีกที<อ>นะฮะเพราะอยู่ๆจะเป็นเลิกเล่นเนี่ยมันไม่ได้นะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นหรือว่าไม่ได้ชําระสาสางหรือว่าเหมือนกับแค่คนมีหนี้อยู่นะฮะค่ะ อย่างติดหนี้ติดสินก็อยู่เนี่ยอยู่ๆจะไปเป็นอิสระเนี่ยคงจะยากนะเจ้าหนี้ก็คงจะตามทวงเงินเจ้าเราวันั น, นในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องใช้หนี้ก็คือต้องเล่นเกมตามเขาด้วยครัแต่ทีนี้การเล่นเกมอันนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ไปทำปกติธรรมดาของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้เปรียบเนี่ยมันต้องมีสติปัญญาถ้าเราเดินหรือว่าเราเล่นเกมหรือว่าเรามีชีวิตไป แต่ละขนาดแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องนําเนี่ยมันก็จะมีตัวนําตัวใหม่ก็คือตัวไม่รู้ตัวหลงตัวที่นําเราไปสู่ที่เรียกว่าสู่ความพ้ายแพ้เลื่อสู่การติดลบเรื่อยไปนเพราะว่าไอ้ความไม่รู้ไอ้ความโกรธความโลภความหลงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนความมืดเวลาเราจะใช้อุปกรณ์ในการเล่นเนี่ย จะเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยมันล้วนแต่จะสร้างความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งสิน้นเช่นเรื่องของการใช้ตาทํายังไงให้มันเกิดบุญล้วนหรือเกิดบาปปากของเราเราจะทําให้มันเกิดบุญหรือเกิดบาปมือของเราจะทําให้เกิดบุญหรือเกิดบาปคือเป็นกุศลอกุศลนนในลักษณะของการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วก็เราสามารถเล่นได้ตามที่พระพุทธองค์ได้แนะนําไว้หรือว่าชี้แนะไว้อ่นะในเบื้องต้นก็คือการเล่นอันนี้เนี่ย ต้องเป็นการละอกุศลให้ได้ก่อนหรือว่าละชั่วให้ได้ใช่ไหมฮะมือของเราตาของเราจมูกของเราปากของเราใจคิดนึกต่างๆเนี่ยคเราต้องเป็นไปเพื่อการละอกุศล น, นะไม่สั่งสมอกุศลเพราะว่านี่เป็นการสะสมแต้มลบใช่ไหมสะสมแต้มลบเพะนั้นกรรมเกิดแก่เจตนากรรมเกิดแต่จิตเป็นตัวบงการจิตที่ถูกบงการด้วยความไม่รู้ด้วยความโกรธ ด, ด้วยอารมณ์ ในเชิงลบทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ล้วนแต่สั่งสมแต้มลบไม่ได้โอกาสที่จะติดลบเป็นหนี้อยู่ล่ํำไยนี่คงไม่รอดนะหลุดไม่ได้แน่ๆค่ะนั้นวิธีการก็คือว่าเราต้องสะสมแต้มบวกเรื่องการสะสมแต้มบวกก็คือการทําความดีแล้วทํากุศลให้ถึงคร้อมอันนี้เนี่ยต้องประกอบด้วยสติปัญญาก็คือว่าต้องมีสติปัญญาเป็นแกนนําเป็นเครื่องนำนะไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการใช้โอกาสต่างๆผ่านทางอายทานะของเราหรือว่าผ่านทางอุปกรณ์ในตัวเราทั้งหลายเนี่ยทุกๆการกระทําที่เราทําถ้าเรามีสติปัญญาคอยพิจิิจารณาตรวจสอบไตรตรองอยู่เสมอว่าอันนี่มันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นทางกุศลหรือรอกุศลเป็นทางเสื่อมหรือว่าทางเจริญนะถ้าเราคิดพิจาราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆซ้ำๆซักๆทุกๆอ a r ย a บททุกๆกิจกรรมที่เราทําไปเนี่ยแน่นอนว่า กุศลต้องจเจริญใช่ไหมอากุศลต้องเสื่อมไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันกุศลที่ยังไม่เกิดนะมันก็จะค่อยๆเกิดมาอากุศลที่มันเคยมีอยู่มันก็จะค่อยๆหงอยเงาเศ้าซึมไปเราก็จะเริ่มสะสมแต้มบวกด้วยว่าเรียก ว, ว่าได้เปรียบความได้เปรียบมากขึ้นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการความสุขใช่ไหมครัค่ะต้องการความสุขการสะสมแต้มบวกก็คือการสะสมกุศลเนี่ยมันก็ยังมีความสุขเกิดขึ้น ทำไมเราจึงต้องให้มีความสุขเนี่ยตรงนี้สําคัญนะพี่ีีนามันเป็นช่วงร้อยต่อที่สำคัญเพราะว่าการพัฒนาจิตนะไปสู่ความเป็นอิสระเนี่ยร้อยต่อของมันหรือ่าร้อยต่อของการพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาหรือว่าจะหลุดพ้นได้เนี่ยในขณะที่ออกจากความสุขไอีทีหนึ่งยกตัวอย่างนะฮะหลายๆอย่างที่เราเห็นได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอผู้ทรงต้องการโปรดใครสักคนหนึ่งที่จะทําให้อ่า เป็นพระรยะบุคคลหรือว่าเป็นพาระอรหันเนี่ยสังเกตดูว่าต้องให้เขามีความสุขก่อนนะอย่างเช่นว่ามีสาวคนหนึ่งอยู่ข้าวเนี่ยผู้ดวงก็นั่งรอจนกระทั่งว่าเธอมาแล้วก็ให้ทานอาหารจนกระทาารั่งหยิ่มหนำสำลาลันทีแล้วเนี่ยแล้วจึงฟังธรรมเนะี่ยเสร็จแล้วจึงได้บรรลูกเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาไปสู่จุดที่เรียกว่าให้หลุดพ้นได้เนี่ย ใจของคนคนนั้นเนี่ยต้องมีความสุขเป็นฐานก่อนสําคัญมากนะค ะ, ะต้องมีความสุขเป็นฐานก่อนนั้นมันพัฒนาต่อไม่ขึ้นนะค่ะถ้าจิตใจยังเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันพัฒนาต่อไปสู่ความหนุดพ้นไม่ได้มันต้องพัฒนาอยู่ในลระดับที่เรียกว่าเป็นกุศลก่อนนะพระพุท ธ, ธองค์จึงตรัสว่าให้ละชั่วให้ละอกุศลจเจริญกุศลให้มากและท้ายสุดก็คือว่าทําจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์การที่จิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์ปลดเครื่องออกมาจาก ความครอบงำของความไม่รู้ได้เนี่ยต้องพัฒนาต่อจากจุดที่ว่าจิตใจมีความสุขฉะนั้นจิตใจเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องมีกุศลเป็นพื้นก็คือว่าต้องมีสติปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปกป้องเป็นตัวคุ้มครองเป็นเครื่องนําในการดําเนินชีวิตแต่และขณะขณะของเราเนี่ยถ้าเราใช้จุดนี้เป็นจุดดําเนินเนี่ยความจบเกมหรือว่าเรียกว่ า, วาการปิดเกมเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นได้ครับพี่ศีนะ ในงั้นเนี่ยเลิกไม่ได้นะอยากเลิกกานใดก็ไม่มีทางเลิกรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์แต่ว่าก็ไม่ละชั่วนะไม่สะสมความดีแล้วก็ยิ่งไม่จเจริญสติสัมปชัญญะญให้มากปล่อยวางขันห้าียได้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอิสระไม่ได้นะครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่พวกเรานะคะก็คงต้องเอามาไข้ครวนกันพอสมควรว่าในฐานะที่เรากําลังเป็นผู้เล่นเกมซึ่งเรียกกันว่าเกมกรรมเลยนะคะใครคิดว่าอยากจะเป็นผู้ชนะอย่างเดียวออแล้วก็ชนะไปอีกไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยก็ยังไม่พอนะคะชนะนี่คือแค่มีความสุขนะคะคุณหมอแต่แล้วก็แพ้ก็คือมีความทุกข์ซึ่งสุขกับทุกข์มันก็หมุนวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจะอีกกี่รอบกี่ ร้อยรอบเนี่ยมันก็ยังเป็นสุขกับเป็นทุกข์หมุนวนกันไปโดยที่ไม่สามารถจะออกจากเกมได้คเราก็จะชักชวนเพื่อนของเราว่าเหนื่อยหรือยังกับการเล่นเกมสนุกพอหรือยังกับการเล่นเกมกรรมที่ผ่านม า, าถ้าหากว่าคิดว่าเหนื่อยแล้วสนุกพอแล้วลองออกจากเกมกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครคิดจะออกจากเกมก็วิธีที่คุณหมอกำพลพันชนะแนะนําไปนี่แหละคะ่ะเป็นแนวทางที่ พอจะหาช่องมุดออกจากเกมได้นะคะเราต้องกลับมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์นี่แหละครับค่ะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้นี่ผมเข้าใจว่าครบถ้วนไม่ขาดต ก, ตกตกคร่องอะครับเพียงแต่ตัวปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะต้องอาศัยคำสอนชั้นรองลงมาคือโดยเฉพาะของครูบาอาจารย์ที่เราสามารถขอคำแนะนาจาก ท่านเหล่านี้ได้นะที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยค่ะหรือว่ายังไม่มีชีวิตยอยู่ก็แล้วแต่เนะเราเครื่องอาศัยการปฏิบัติที่เราเข้าถึงได้นะเป็นตัวปฏิบัติจริงๆนนในแง่ของกรรมถ้าเราเล่นถูกต้องตามกติกากติกาในที่นี้อ่ะจริงๆแล้วมันก็คือกฎธรรมชาตินะครับพี่ชินะกฎธรรมชาติกฎของความเป็นเช่นนั้นเองนะเราปลูกต้นมะม่วงเราก็ต้องได้ทานต้นมะม่วงอย่างที่ว่า นะกรคำดำําส่งผลก็คือความทุกข์คำขาวส่งผลก็คือความสุขนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกรคำดำําหรือกคำขาวเนี่ยล้วนแต่ยังต้องอยู่ในวังวนของความแม่เที่ยงอยู่ในวังวนของความทุกข์ก็คือความแปรเปลี่ยนอยู่เสมอทำทนอยู่ไม่ได้และก็ความบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ซ้ซําๆำ ซ, ซากซา ถ้าเราทราบซึ้งกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำดีคำชั่วมันมีค่าเหมือนกันเลยความชั่วก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคเราเห็นปรากฏการเหล่านี้อยู่ซ้ำๆซักๆเกๆิดเสมอเนี่ยมันเบื่อที่จะเล่นเกมเองพอเบื่อที่จะเล่นเกมเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหาทางออกจากเกมนะครับโดยเล่นเกมน้อยลงก็คือว่า เจตนาที่จะทําอะไรอะไรที่มันเป็นการสร้างวิบากกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงไปการกระทําทางใจของเราเนี่แหละเ ป, เ, เ, ป เ, เป็นเครื่องเล่นเกมที่สําคัญที่สุดกับสติน่ะค่ะเฉั้ น, ะ<ะ>นถ้าเราไม่มีสติสัมปัาญยะเป็นเครื่องกํากับการกระทําทางใจิตใจของเราเนี่ยการที่เราไม่รู้เท่าทานรงเนี้ยมันก็ส่งผลนําเกิดอยู่เรื่อยไปแหละถูกชักจูงหรือว่าชักชวนะนะครับให้เล่นเกมของเขาซึ่งมันไม่มีวันจบ ถ้าเราเลือาใครก็แล้วแต่ยังสนุกกับเกมอยู่ก็ เ, เล่ น, ลน<ม>ต่อไปนะแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องสะสมแต้มบวกไว้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันถ้าเรายังเห็นว่าโลกนี้มันยังมีความสุขอยู่นะนนถ้าเราต้องการความสุขนะตัดสะสมแต้มบวกให้ได้โดยการสะสมกรรมดีค่ะนะครับการให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอย่างนี้นะเป็นการสะสมหรือว่าเป็นการตุนแต้มบวกไว้ นะเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเบื่อการเล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้แหละต้องเดินอีกทางหนึ่งเลฮะนะเพิ่มเข้าไปอีกอีกทางหนึ่งแค่นี้คือไม่ได้มาเลิกทางเดิมะต่อยอดทางเดิมค่นะคือต่อยอดของปัญญาเข้ามาสรุปแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเลือกเองนะคะว่าเราจะเล่นเกมกรรมต่อไปหรือว่าจะเดินออกจากเกมเลิกเล่นเกมสักทีอันนี้ก็ เพื่อนของเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระเลยนะคะครับเกมกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสองส่วนที่สําคัญก็คือว่ากรรมที่มันปรากฏกับเราหรือว่าผลที่มันปรากฏกับเราเนี่ยมันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่าวิบากกรรมในอดีตที่เราเคยทาไวค้ค่ะนะครับบางคนเนี่ยปรารถนาแต่กรรมดีหรือว่าวิบากดีๆนะซึ่งบางทีเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหม เวลามันส่งผลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันคละเคล้ากันไปใชดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนที่สะสมกรรมไม่ดีไว้เยอะวิบากมันก็ไม่ดีมากใช่ไหมจำนวนมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่สาระสําสคัญหรือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญที่เราจะเป็นเครื่องกําหนดว่าเราจะแพ้หรือชน ะ, จะต้นทุนที่เราให้มาหรือว่าเขาให้เรามาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะถ้าเราเริ่มต้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่ากาัน ใช้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยล้วนแต่มีแต่ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะฮะคือว่าความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามองว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นผลลัพธ์ของกรรมชั่วเราจะต้องเอาชนะมันหรือว่าเราจะต้องสะสางมันก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ใช่นะแต่ถ้าเรารีบเปลี่ยนมันนะโดยการใช้สติปัญญาของเราเนี่ยในการที่จะใช้ความติดลบอันนั้น ปัญหาลูกประสาทหรือว่าความทุกขันนั้นเนี่ยให้กลายเป็นบวกได้เลยฮะโดยการอาศัยสติปัญญาของเราเนี่ยเป็นเครื่องเปรีย่ยนนะเปรียบเหมือนกับว่าดอกบัวเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยดอกบัวไม่เคยขึ้นบนพรมไม่เคยขึ้นบนคอนกรีต <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะดอกบัวเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นในตมในเลนใช่ไหมฮะค่ะ <c oughs> นั่นแหละครับบางที ก, ก็คือมันบอกเราว่าปัญญา หรือว่าสิ่งที่ดีงานทั้งหลายหรือว่าอ่บุญก็ได้หรือว่ากุศลก็ได้บางทีมันเปลี่ยนได้หรือว่าบางทีมันขึ้นได้จากสิ่งที่มันเลวร้ายนั่นแหละฮะนั้นเรื่องมีคําพูดของพระเซนหรือว่าในรัตทิเซนที่เขพูดว่ากิเลสคือพุทธะอะไรกํานองเนี้ยใช่ไหมฮะก็คือว่าณนะจุดนั้นที่มันเป็นวิกฤตเราต้องเปลี่ยนให้เป็นโอกาสณนะจุดที่เป็นปัญหาเราต้องเปลี่ยนให้เป็นปัญญาค่ะ จุดที่เป็นอุปสรรคเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะนะไม่ต้องรอสร้างสะสมกรรมดีจนครบถ้วนบริบูรณ์ก็ได้แต่อาศัยปัญญาให้เป็นเครื่องเปลี่ยนแต่ละขณะที่ส่งผลลบมาแล้วเปลี่ยนเป็นผลบวกนะฮึทังตัวเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดและที่เราทําได้จริงๆก็คือปัจจุบันขณะนาดนะครับที่ปัจจุบันขนาดเนี่ยหรือว่าที่เรพูดว่าที่นี่แล้เดี๋ยวนี้เนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งโดยอาศัยการเปลี่ยนที่จิตใจของเราเอง การลอยบาทก็ลอยที่ใจของเราเนี่ยนะครับการสร้างบุญศนหรือว่าการสร้างกรรมทุกชนิดเนี่ยมันจะปรากฏล่องลอยที่จิตใจของเราก่อนแต่อะไรเป็นเครื่องควบคุมตรงนี้เนี่ยเป็นรหัสสําคัญที่สุดนะจะเป็นการสร้างรหัสบวกด้วยรหัสลบเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องกําหนดด้วยเป็นเครื่องดําเนินหรือเป็นเครื่องนํำทาง น, น, นการสั่งสมสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเล่นเกมนี้ครับพี่ีนค่ะคุณหมอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกถึงคำพูดที่ว่าไม่มีอาวุธใดเสมอด้วยปัญญานะค ะ, คะเห็นท่าจะจริงแล้วล่ะคะ่ะ